อ่านเข้าหายคนนี้โดยแต่สาวๆวัตถางสาภาพตามกำลังตามกำลังสตาเขากำลังคืออินทรีย์ของตัวเราเองอินทรีย์ห้าพละหา้างานเดียวกันก็คือสตาวิริยะสติสมาธิปัญญาตา่างๆเนี่ย อีกี่เราจะแ ก, ะก่กาเรือว่ากำลังของจิตของเรามาง้อยัอยู่ตรงนี้มนกนต้จากความที่เขาเรามีความเชื่อเป็นค้อแรกความเชื่อจากความจำเป็นหลักก็ความเชื่อก็คือไม่พอใจในปริยัตหรือหลักการ เป็นตัวกรองเชื่อจะมีการหลากหลายแต่ทานี้มาเต็มอ่งอวตารประสัดใเป็นเบื้องตน้นไมงั้นไม่มีหลักเรื่องหลักคิดซึ่งคืคอศรัทธาต่อไปก็ความเพียรมันได้เชื่ออย่างเดียววเชื่อ พ, ดดพระุทธจาประธรรมภริยสงฆ์แล้วก็หยุดแค่นั้นมันไม่ได้ไปต่อ ไม่ได้แค่กำลังอันเดียวข้อเดียวคือตัวศรัทธาสุดท้ายกลาเป็นศรัทธาจริตศรัทธาจริตยึดไปตามที่เราเชื่อยึดลมยึดน้ำยึดเสียงยึดความสัจสิทธตามความเชื่อแล้วไปยึดความเพียงซุ่ง ม, มนคือต้องหนึ พยายามตั้งใจเพราะในข้อนี้เจอตัวสัจจะจึงมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากถ้าไม่มีสัจจะกับตัวเองบนงาน่ายก็ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำพรนไหนขีน้เกียจก็พอละสามนาทีห้านทีสิบนาที พอละมันไม่พอถ้าเป็นอาหารแข่งช้อนสองช้อนแค่ดมๆแค่ดดเดินแค่ผ่านมันจะไปอิ่มได้ไงมันจะไปพอได้ไงเราต้องความเพียรความเพียรเป็นตัวเผาเป็นตัวเร่งให้รู้จักการขับเคลื่อนเคลื่นไหวไปมา ความเปียนก็ต้องต่อเนื่องไม่ว่าจะการ น, นั่งกง็ตามกันเดินก็ตาในความต่อเนื่องนั้ น, น, นก็คือความเปลี่ยนนั้นมันก็สติก็มีเกี่ยวข้องไม่ว่าอะไรอยวใดก็ตามหรืออยู่เฉยเฉยมี่อย่างอีกแบบเดีย ว, ยยวคือลมหายใจเป็นตัวหลักหมายจะเข้าถึงไหนไปถึงไหนออกถึงไหน เพราะฉั้นการฝึกสติตั้งแต่ของหยาบที่เราคุยกันพต้นตั้งแต่การกินตถ้าเป็นของหยาบมันเห็นชัดเจนมันเข้าไปทีละยางเช่นข้าวครับอันนี้ธรรมย่อยก็คือต้องเคียวนองเกสรวมานะคะทันตา ฟันมาทำหน้าที่ขบเคี้ยวเลื่นมือถือรับรถขั้นตอนว่งมันอวามชันต้องือเกลืนผ่านลำคอในขณะที่เราเคี้ยวสติเราก็ยังไม่เข้มขน้นเคี้ยวไปอย่างนั้นเยอะเกี่ยงถึงจะแหลกถึงจะละเอียดพวกกลืนอนลงไปงกว่าจะลง ผ่านลำคอลำไส้ตกเป็นกระเพาะถ้าเราเคี้ยวละเอียดร่างกายมันก็ทำงานได้ดีไม่ทำเป็นภาระอันนี้เป็นของใหญ่แต่นี้จะเป็นของละเอียดของละเอียดเช่นน้ำเวลาคืนมันเข้าไปถึงกม่ดนแล้วก็ไปพร้อมกันเลยีรรมชาติสอนเรา นามผ่านลาคอลำไส้ตรงไหนตกถึงท้องก็จะขั้นตอนถ้ามันไม่ติดไหมครับอะไรคือสติคำวาสติคาเดียวทารวิสติสมาธิความมั่นคงในอารมณ์ที่มันพัฒนาที่มันกระทบวันนี้มีคนมาถาม ทานสมะสองสามเจ้าอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าขอธรรมะสันส้นๆไม่รู้จะเอาอะไรให้สันส้นๆมันไม่มีอะไรของสันส้นๆคืออยากได้ดังใจอะเหมือนได้แล้วก็โดดใจเงนี้ แต่ก็อธิบายไปไปเข้าใจกดดูลมหายใจถ้าสัดไปกว่านี้มันไม่มีแล้วดูลมหายใจกันสันก็นี้ไม่มีไม่ต้องไปถามหาส่วนรายละเอียดก็ไปหากันเองไปต่อกั น, นเองอีกวิหนึ่งก็คือเราพูดถึงรูปเร้พูดถึงเวทนา ทำไมนั่งแล้วมันข้ามเวทนาไม่ได้ก็ถามว่าเวทนาคืออะไรไ้เจ้าตัวที่ถามว่าเวทนาคืออะไรวเวทนาเป็สามอย่ า, างแต่ตัวเวทนาจริงมันไม่เป็นอะไรมันไม่เกี่ยวข้ออะไรกับใครแต่สามคามันคือสุขทุกข์แล้วก็เฉย มันเป็ท้งสามตัวที่เราต้องอยู่แต่เราไปอยู่กับทุกข์เพราะนั้นน่าจะหมายความว่าทุกข์กับเวทนาจะทํำยังไงถึงจะไม่ให้มันมีเวทนาเวทนาที่จะไม่เกิดง่ายนิดเดียวบอกก็ไม่ต้องมีลมหายใจถ้ามาอยากมีเวทนาเราไ ม, มา่ต้องมีลมหายใจแล้มันเป็นไปได้ไหมเป็นไปไมได้นั่นแหละ คำตอบกูมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไม่ได้เราก็รู้ให้เข้าใจเอาเวทนามันไม่ได้มีแคการเวทนาอย่างเดียวมันมีสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานไปนวัฏฏุบุตรมันไม่เคี้ยวอะไ ร, รครับคแต่เราไปข้องอยู่ตรงนั้นอึดอื่นนี่ต้องไปคิดต่ออยอะแยะทำไม่คิดไปคิดอยู่เวทนาหน่าจะไหมายถึงความเจ็บปวด คนแข่งคนขาจิตก็ไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ไปไหนมันก็ข้ามไม่ได้แต่แตอนนี้หนักไปเลยคนะือทำไงที่ข้ามตอนนี้ไปได้ก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนพระธิดพระจันเขาก็เกิดขึ้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วก็เขาก็ลงไปเหมือนกันหน้าที่รู้ว่าตอนนี้พระธิดเชา้พาพระธิดขึ้น มันก็เดิบคนชั่วมันก็ลงไปเดียวมันก็มาอีกมันวนเวียนอยู่อเองเวทนาก็เหมือนกันหารู้ว่าเวทนาบ้างนั่นคือเวทนาแล้วก็ให้รู้ตัวเป็นสุกขเวทนาทุกขะเวทนาเปรตนาบอกให้มันครบเลยอย่างนั้นมันก็จะจําแค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวอันอื่นมันไม่มีมันก็เลยไม่เข้าใจในชีวิตนี่มันคือทุกขเวทนา สุขเวทนาก็มีอุเบกขาก็มีแต่เราไม่อยู่มันก็ไปคล้องตรงนี้นี่ก็เกี่ยวกับสติเกี่ยวกับสมาธิเพราะฉะนั้นคนที่บอกคนที่มีกําลังพลังเร็วอินสีของเราสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องหมดสรัทธาเยสีสมาธิปัญญาเพราะปัญญาไม่เกิดมันก็ไป่จะทำลายสิ่งเหล่านี้ได้มันจะไม่จะคลายสิ่งเหล่านี้ออกไปได้ เราก็ไปคล้องก็สิ่งเหล่านี้เพระปัญญาไม่เกิดพลังหรือว่ากำลังของอินทรีย์มันก็ไม่แก็กราก็เลยบอกเขาว่าตาถ้าอยากออกจัตเวธนาก็แค่เปลี่ยนอรียบทก็ได้มันไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกคือท่านนั่งนาน คุก็ไปลียอพุเอาไปเดินก็ได้แต่ขอให้มีสติต่อเรืดอด่องอยู่ตรงนั้นถ้าทนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนอิมพุตใหม่เี่ยถุกมันก็เดก็หายหายเด๋ยมนี่มาอีกมันก็ไม่หายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันไม่ดีเอย่าไปถามหามัน น, น, น, นี่คือหลักการรันทั้งหมดนี้ไม่ใช่กับตัวเราเองตัวเราเนี่ยเปนมาถืออะไรคำว่าตัวเราเพราะอะไรทยานบอกตัวเราเพราะว่าจิตมันยังยึดว่าอันนี้นเป็นของเราอยู่็อุปาทานตราบใดที่จิตมันเข้าใจว่าโออันนี้มันไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ของชั่วคราว ดีมันก็แยกแยะ ก, กันไปเดินน้ําไปลงรูปนามเรืมันก็ไปแล้วจิตมันไม่ได้ฉลาดถึงขนาดนั้นไม่สามารถที่แยกแยะออกว่ารูปนามเป็นยังไงมันจึงสบทุกมันก็แยกไม่ออกทุกของรูปโอทุกของน้ามมันก็แยกไม่ออกก็กลับมาที่เดิมอีกว่าความเพียรวันลมมากลอยขนาดไหน เราให้เวลาตัวเองมากมากกดนไหมเวลา จ, จริงจังแล้วก็ต่อเนื่องเดี๋ยวทำวันละหทีสิบนาทีเดี่ยวอยากได้เหมือนคนอื่นเขาจะได้เหมือนขวานจังรู้ว่าขวานจานแต่ละองค์แต่ละท่านเราต้องคิดผือขาดเผือเหลือเป็นความเป็นจริงว่าจริงอยู่บางองค์ ช้เวลาสิบกว่าปียี่สิบปีสาสิปีสี่สิปีทางก็ประสบควารณ์ตรงนั้นแล้วทางนังาบุญก็เห็นนักบุชอบนักบุญตื่นเป็นตน้นักบุญขาวเพราะทำไมนักบุกขาวเราคุยกับช้างรู้เรื่องเพราะในดีิแทชท่านเคยเป็นช้างแต่เราไม่รู้ท่านจะเรียก่าพี่ชาย หยุดช้างได้ลูกภูหลาองค์มีความเกี่ยวข้องกันหมายก็ว่าในอดีต ท, ท่านบำเพ็ญมากเยอะแล้วแต่เราเพิ่งรู้จักแค่ชาตินี้ชาติเดียวแล้วท่านได้เจอพอูแม่ครัอาจารย์ที่แนะได้นำได้เพื่อร่วมปฏิบัติกันในที่คำมีปัสนา ม, มารมีรด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่าลูกูไวเ้เรา ทางก็ได้แล้วแต่อยู่บ้านป่งแล้วซึดนบ้านป่งนี่ก็คือวัตถุขเวทนาอย่างหนักในกระดับที่อยู่บ้านปง่งคือย้ายจากหุ่นน้ำเล่นไปอยู่บ้านโปงท่านป่วยป่วยมานานป่วยสภาพร่างกายสิบเอดปีที่อยู่พรรษาแจ่มพรรษาเับล้าอาหารคนอุปถานไปย้ายไปอยู่ตลาดแม่ฝังก็งถึงขันยากกันเลย ย่างพืนย่างไฟขันทั้งตั ว, วเวลาต้งแจ้ความร้อนปกติยึงเร่อปุติย่างกิเลสแต่ว่าคนที่ไปอยู่วลางทางัานหมดแล้วก็ทยอยทยอยอกันไปในขณะที่ท่านใดมากได้ผลได้แสดงครูอาจารย์ท่านกรู้เป็นดินแผ่นฟ้าจะถตืนจะท้านในขณะที่บรรลุธรรม คือได้ทําำกวารจนทุกอย่ับร้องคำบงังหูวงของท่านเวียนท่านได้แล้วอท่านข่าวท่านได้แล้วผู้ชอบตแล้วทุกคนก็มีบุพกรรมให้เหมือนกันจากนั้นก็ใช้บุพกรรมคนใกล้กตัวก็ดีเหมือนผู้ผู้ชอบท่านเป็นอมพูษณอกว่าแขนจะได้ครังเดียวบ่าาวงชาติสุดท้ายแล้วชาติสุดท้ายต้องใช้กันให้หมด เราเป็หมอหมอคูบาอาจารย์ทำไมเป็นพระริยะพระสงฆ์พระอาหารหันต์แล้วทําไมต้องร่างกายต้องเป็นอย่างนี้เพราะคันต้องการให้ใช้ใ ห, หมดเหบนพระบุคลานนะทั้งทั้งท่านเหาะเดินอากาศได้ทําไมต้องคนโดนทุกข์จนแหลกมือเตะกระดูกุดท้ายทั้งว่าต่อกระดูกตัวเป็นฟอกุเจ้าทําได้ขนาดนั้นหาะเดนอากาศหนีไปได้ทําไมไม่หนี เราต้องการใช้ไห้หมดมันหลายอย่างที่สิ่งที่เราไม่เข้าใจขาบ่ายจางเอ็นเมืนช่นคนรอบตัวเราข้างทำไมถึงยอมคนนั้นยอมคนนี้ทำไมต้องฟังแต่มันต้องใช้กรรมร่วมกันตอนาอก็จะใช้ให้หมดแม้แต่รูปสีขเราเช่นเดียวกันแต่คนอื่นได้ไม่ควรจะยอมแต่เราไม่รู้เราก็ไปทงนี้ ของท่านคือไปดูคุ้ไม่ดีแต่ท่านก็ไม่กระเทือนอะไรนะแต่ตัวที่เราเสียคือตัวเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคนนั้นคำว่าเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่แต่ละคนแต่ละทำหลวงพ่อแม่กบวาจามาบ้านเรามันนั่งอธิษฐาเดียดจระเข้วาสนาบาลาบีก็เหมือนกันบางคนก็ถนัดกระสิน บาคนก็ถนัดทางชามบางคนก็ถนัดทางอาคมคือต้องใช้ ค, คําคาถาคือคํำบริกรรมก่อนมัมีเจตได้บางคนก็ใช้เป็นชามเข้าชานไปเลยใ น, นกรณีเจตเป็นผวังก็เจตก็อาธิษฐานเจตเอาถึงขั้ น, นอานาบนาลสติกําหนดลมหายใจ กิจกรรมหนึ่งด้วยอยทอนออกมาจิตจะมีกำลังหรือพลังซึ่งแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ปู่รรประเสริฐเทพเมื่อคืนเราถึงอลวปู่พานจิตตากุตูร์หลวงปู่พา น, น, นท่านบตรตอนเดียร์ยุพอสมควรแล้วเมื่อก่อนท่านนั้น ท่านก็เป็นหมอธรรมหมอธรรมก็ใช้พวกคาถาอาคมเนี่ยรักษาคนมีขันมีครูแต่นี่พอมาบวชแล้วมันก็ยังติดอยู่คาถาพวกนี้ท่านก็ไม่นสนใจไม่รักษาเพราคนไม่ไม่ถือไม่รักษาเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเขาเรียกเป็นปอบไปปรากฏที่ไหนมันก็เอาหน้าไปอ้าง ร, รูปของท่านนั่นแหละคนเข้าใจว่าเป็นท่านไปนปรากฏที่ไหนเขา เราก็เห็นไปควาวโมโบกักมองดันท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านเข้าใจม่ได็โดเดชาวบ้ายนยอมรับจตากันแต่มันใช้แบบโล่งๆได้ก็คื อ, ค, อ, ค, อคาถาพลังเจิตที่มีอยู่วัดหลวงปู่พางเลยท่านดังดึ่งน้ำมนต์น้ำมนต์วัดทันตตรงไหนจะมีแต่น้ำมนต์จะตั้งวางเจดเพราะว่ามีอยู่วันหนึ่งที่ คนไม่เชื่อทำน้ำมนเสร็จแล้วเอาน้ำมนต์ให้เขาก็ไม่เอาดอเจ้าไปทำไมน้ำมนที่เราบวชอีกท่านก็บอกว่าไม่เอาไม่เป็นไรถ้ายางกั้นก็เอาไปเททิ้งเอาน้ำมนต์ในขันเอาเททิ้งจริงๆอ่พะพอเทแล้วมันไม่ออกความขันยังไงมันก็ไม่ออกเอาเดีวเดือดร้อนลนะ่ะ ต้งยอมมาขอเข้ามาตั้งแต่นั้นก็คิดว่าทัววัดมีแต่ออค์น้ำมนต์หมดเลยี่ประวัติของหลวงปู่โดยพื้นจริงหลวงปู่เป็นคนดีมีความจริงใจทำอะไรต้องสัจจาอย่างที่หลวงปู่เผยเสด็จวางเด็เสียดายมีเวลาอยู่กับท่านน้อยอดพระอาารย์ึผก็จะได้ไปร่วมวันแรกแทนมรภาพ าากำลงจะไปร่วมอยู่ถือไปคำปุดท้าย น, นี่คือปฏิปทากว่าอย่างอยู่อย่างโลกโชกโฉมกันมานานพอต้องทำก็ทิ้งก็อยู่กัาทางสรุปธรรมนดีที่สุดแล้วพระคุณของผู้ย่าวธรรมภระอริยสงฆ์ดีที่สุดแล้ ว, พ ว, เ, ว, ลวเพราะฉะนั้นถ้าจะปักหลักความเชื่อทางหลายแดนในโลกนี้ <c oughs> ก็ปักศรัทธาตรงที่พระัฒนาใจนีแ่แดีที่สุด อื่นๆมันก็แค่ช่วยได้แบบโลกๆมันค้งพราคาถามันไม่ได้ค้งพราพลังของจิตที่คาถาเพราะเอาความเชื่อถ้าความเชื่อเสร็จแล้วคาถาอะไรก็ได้เพราะมันมันมาเชื่อตันนี้พลังจิตมันไม่ได้เชื่อทัวนี้คาถาถ้าเชื่อตัวนี้คาถาใครใครก็บฏิกรรมได้มันมันไม่เกี่ยวกับคาถามันเกี่ยวกับจิตน เดี๋ยวนี้คำว่าจิดเนี่ยของท่านอย่างหลวงปู่ประเสริฐท่านว่าอย่าหลวงปู่ด้า น, เ, นเข้าใจเลยหลวงปู่ประเสริฐท่านเนซเชชีอยู่สามปีปัจจุบันท่านก็ฉันจริงที่ฉันเจ็บเราสุขภาพมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเครื่งฉันเจแล้วมันสุขภาพมันดีขึ้นสุขภาพมันไปดีท่านเนซเชียชีอยู่สามปัญาสามปีมันคิดดู ม่นก็หลวงปู่ทั้งหลายแห ล, ล่หลวงปู่เฟืวงปูตปู่ตืเยอะที่หลวงปู่ที่อยู่ด้วยกันในสัชชิตเช่นหลวงปู่ตื้อ ถ, ถึงแม่ไม่นในสัชิตโดยตรงแถวคนนั่งทางกานนั่งแตหวหัวขั้มยัสว่างเวราเราไม่คิดดูปุกเสกที่ไหนทั้งแถวหัวขํ้เยันสว่างมันจะเสกธรรมาดา คิดวแต่ละองค์เนี่ยท่านนั่งได้ขนาดนี้มันจะไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรเกิดขึ้นเลยเนียคนที่นั่งได้มันมาได้ก็เอ า, าเครเบตโงเวทนาสัญญาสังขารบิณญานมันมาครอบหมดรูปเวทานาสัญญาสังขารบิญยานท่านจะเข้าใจทั้งระบบหมดเพื่อท่านจะพักก็ได้ท่านจะออกมาดูก็ได้ ว่าทำไมในขณะที่นั่งอยู่ยเพราะเวทนาข้างนอกหรือข้างในที่มีอยู่ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิมายก็ว่าภาษาข้างนอกถ้ามันกระทบภาษามันไม่เกิดนั่นก็แปลว่าการปฎิอุจจฉะปัสสาวะมันไม่มีเมื่อถอนจิตออกมาอยู่ในขัอุปจฉะสมาธิมันเริ่มละมันเริ่มถ้าเป็นทุกขเวทนาในอุจฉะปัสสวะทุกหนักทุกเบา มันผักสะมันกระทบคุณทอนจิตออกมามันมารู้คำนองอันนี้เรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันก็ต้องการว่าอันนี้ต้องปล่อยเลยนะไม่ปล่อยไม่ได้ทุกหนักก็เบาเนี่ยทั้งๆที่ขนาดนั้นต้องไต่หัวคำจึจะว่างมันไม่มีของคนกันเลยเออแล้วพอหนังแต่ทุ่มหนึ่งที่ีที่ห้า คืจะเอามาปล่อยบูชาภาษาเพราะว่าพะวัาสงบมากระทบเดนมันเป็นหน้าที่ของมันมันจะต้องออกออกแต่บวกคนนั้นมันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นคาว่าไม่มีคือจิตมันก็ไปอยู่กับวิถานะคือมันกระจายอถอนออกมารับรู้คึงบอกว่าในขนาดนั้นมันไม่เกิดปัญญาแต่มันอยู่ได้อยู่ได้เจ็ดแปดชั่วโมงอยูได้แต่ว่าถ้าเกิดปัญญาเพื่อละตอนเปลวว่างมันได้มี ได้หาแล้วตอนปล่อยวางได้กระทอนออกมาใข่ขณะที่มันรับรู้ข้างนอกนีนะ่แหละคือรับรู้หมดปกตินะคือรับแลรร้รู้แลาวก็วางมันถึงจะทําได้เพราะฉะนั้นจิตดวงอื่นที่นอกเหนือจากที่เป็นอย่างนี้แล้วมันทําไม่ได้เยอะของสัตว์ยิ่งไม่ต้องพูดถึงยิ่งพพอื่นก็มีแค่สี่คือเวทนาสัญญ า, าการ์เท่า น, นั้นเทวดาอย่นี้เป็นต้น ก็ทํายางเราไม่ได้อปนาไม่ได้ไม่มีภาษาอย่างเราเพืออไปสวยอย่างเดียวเป็นภพที่ไปเสวยมันทํายางเราไม่ได้เพราะอย่าไปป่าถนาที่เป็นเทวดาเลยเขาไปแค่เสวยกันนั้น่ะทือนพวกเราไม่ได้พวกเราเนี่ตยเป็นได้ทุกอย่างข้ามได้ทุกอย่างเยี่ยงกว่าพวกเขาอีกแต่เราไปคิดว่าเขาโอ้อย่าเป็นเทวดาป่าธนะไม่ต้อง ไม่ต้องปรารถนามันเป็นโดยธรรมชาติของมันพวกพบพวิชั้นของจิตมันจะไหลไปเองโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติมันอยู่ในระดับไหนมันก็ไปอยู่นั้นติดรูปอยู่มันก็ไปที่รูปติดอารูปมันก็ไปที่รูปจติดอารูปตรงนั้นติดที่มันว่างๆมีเลยอาคาสารนังใจเจตนาอย่านี้นี่คือพรหมก็ก็จะอยู่อย่างนั้นแต่มันก็มันไม่หมดไม่พ้น อยู่ได้นานไปสบายอารมณ์แต่ข้องเรามีครอบหมดทั้งแามทั้งสกทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆแต่เราก็ไปคล้องอยู่ตรงทุกข์นี่แหละสุดท้ายก็ทุกข์เป็นตัวทาลำข้ามไม่ได้มาพุทธิจิตเน้นตัวนี้เป็นหลักประเด็นใหญ่ขอเขาพ้นจากทุกข์พ้นในใี่เป็นเรื่องใหญ่ทำเจ้าของคนด้วยไปมันก็อยู่อย่างนี้น แต่ทีนี้ปัญหาของเรามันไม่รู้จักว่าอิสวอร์อยู่นะไม่สวยสดสวยทุกตนะัเรียกวิาชนะหรืออุเบกขาเบก ข, ขาภาชนะอเบกขาภาชนาทั้งคนที่ได้ฌาญแล้วจะชำนาญคกำหนดจิตเป็นกลางได้โมตตฌานจิตที่เป็นกลางได้จิตจะเป็นอิสระจิตที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องกับอะไรจิตที่มันยังคล้องกับสุข ก, กับทุกอยู่นะ่ะมันไม่เป็นอิสระแนละ้วถึงแม้ว่าติดอยู่แล้วมันสบาย รูส้สบายคือสู่ขานั่นแหละมันแปลว่าสบายทุกขาแปลอึอัดขัดคล่องถ้าใครเจอกับอารมณ์อย่างนี้แล้วใจมันก็ อ, อัดขัดท่องมันทําแรรต่อไม่ได้เสียไปหมดกลายเป็นของเน่าของเสียไปหมดจะเป็นอาหารอาหารปูดอาหารเน่าจะเป็นอารมณ์ก็อารมณ์ปุ๋อารมณ์เน่าถ้าเป็นคนก็ข้างในมันกันเน่าหมดมันดีเด็กข้างนอกเหมือนภาพจริงกของตัวเราเนี่ยแหละอยู่ข้างนอกดีดีด อย่างที่บังคับไปแล้วหลวงพ่อบอกว่ามีภาพสามภาพภาพแรกภาพคนปกติทั่วไปส่วนพวกเราต้องหลายสูตา่างดาวขาวลอดขเล่อั่นคือภาพภาพแรกเราก็เห็นแค่นี้ทุกวันเราก็มีภาพเดียวในดวงใจภาพนี้ภาพเดียวแต่ภาพที่สอนที่เป็นภาพของเน่าของเสียของเหม็นตับไต้ใส้พุงเรามไม่เห็นแล้วก็ไม่อยู่ในสมองไม่อยู่ในกระบวนการความคิดด้วย สุดภาคสุดท้ายมีจิตอกอย่างรางแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เวิรันธภามแรกเป็นพาติรบคองบากที่สุดในตัวตวนของเราเขาและติ๊กโอปทานมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ภาคแรงมันรู้กับนารมมันก็อยู่ตรงนี้มันแยกกันอย่างนี้เลยมันทําหน้าที่อ้า เ, เราเจ็ดเรายัางแยกคนนี้ไม่ออกอย่างโอบปันดาแรกนามไม่ได้มันก็จะอยู่กันอย่างนี้แหละ พยินมาแต่คนที่อยากรู้ดนานคนที่จะพักไม่ว่าจะเป็นพักโดยธรรมชาติคือหลับนอนอันนี้ก็พักโดยธรรมชาติอยู่แล้วกับพักโดยสมาธิท่านก็ทำได้แค่ครึ่งชั่วโมงสิบนาทีนันก็สดชื่นแลเหมือนเราหลับเป็นวันเหมือนเราหลับเป็นคืนาไม่ขออาจารย์ญญท่านอยู่ได้พักแป๊บเดียว ว, วันวันหนึ่งพักแป๊บเดียวอยู่ได้คนเราต้องไม่เคยฝึกมันไม่ได้ ร่างกายมาันุุโทมมันชมรุดนาเสียหายม่ต้องซ่อม น, นี่คือความแตกตา่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆจะเข้าใจว่าเวลาไหนไปเวลาไหนควรทำอะไรเรื่องเหล่านี้คนอื่นช่วยรรงไม่ได้มีแต่เราเท่านั้นแะที่จะเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักเป็นกำลังกายกำลังใจเป็นแนวน้มแนวคิด ตัวบสิทธ์ันต้องมีครูคอยบอกคอยเนยค่อยเตือนนองโลนองทางก็ค่อยบอกบอกทางตรงบอกทางอ้อมแล้วคนมีสติปัญญาถ้ามีคนครึ่งต้องกันมันก็เข้าใจ ม, มันวิทยุทีวีโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ถ้าตรงไหนมันไม่มีสัญญาณเปิดอย่างนี้นนมันก็ไม่ติดสื่อสารกันไม่ได้ ต่ไม่มีสัญญาณสัญญาณมันพร้อมมันก็สื่อสารกันได้พลังกองจิตถูกคลื่นของจิตก็เหมือนกันอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่เกี่ยวอยู่ใกล้กมันก็อยู่ใกลอยู่ไกลมันก็อยู่ไกลเนียคือความสําคัญนี่ตัวสําคัญมันก็เป็นกําลังใจให้พวกเราอดทนละวันะ อยาให้ทำทุกวันะทำ่าคทำน้อยไม่เป็นไรอย่าไปอ้างเลยว่ามันโอ้วอรนิดนึ่เหนื่อยนิดหนึ่งหรือ่ามีเวลาไม่ได้มันสร้างนใส่ยได้ไม่ดีจิตมันก็จะจำว่าเออทำนี้ได้เหมือนเด็กอะเด็กมันทำไม่ดีเราไม่บอกไม่สอนมันเข้าใจว่าเออทำอย่างนี้ถูกแล้วพ่อผู้ใหญ่ไม่สอนพ่อแม่ไม่สอนจิตของเราก็เหมือนกันมาเอกเราโลกนอกทางเราไม่สอนไม่อบรม ร่างการปฏิบัติธรรมเป็นกันอบรมจิตจิตที่รับการอบรมดีแล้วนับศพมาให้นี่คือความหมายคนปฏิบัติธรรมอยู่าาเสมือธรราจะเรียกสุขังสติก็อยู่เป็นศพถ้าเราปฏิบัติธรรมอยู่เสมอสมัอยู่ประจําต้องเป็นบอกว่าประจำประมาทพลาดไม่ได้แต่ละวัน จะไปประกอบให้ทํางานมาเยอะแล้วก็ให้เราเฝ้าผู้ดีชาวประทับประสงค์บ้างขอขอดีดีมีคุณคุบารัตนาใจเป็นหลักนะเป็นหลักประกันมิงั้นก็ไม่มีอะไรเป็นหลักในชีวิตวันวันหนึ่งก็มาทุบทวันหนึ่งเบางอย่างน้อยให้สุดคือก่อนนั่งสมที่เอาทบทนมันแต่ละวันว่าวันนี้มันระวังดีกันไม่ดีเราช้างมันหนักดูซิ สมเรื่องอันนี้คือความคิดคำพูดการทำวันนี้สามเรื่องเนี่ยอันไหนที่มีผลมากที่สุดหนึ่งคือความคิดกคำพูดการทำเพราะสุขทุกข์เกิดจากนี้แหละก็จากความคิดคำพูดการกระทําของเราตัวเราเราจึงเรียกว่าสุทุกข์เพราะนั้นความสุขความทุกข์มันต่างกันมันจึงแตกตา่างคําว่าแตกต่างไหนที่ห ม, มายถึง เห็นแตกต่างกันไปต่างแต่ที่มันเหมือนกันเห็นรูปเหมือนกันผลของการเห็นนั้มันต่างกันผลของความคิดมันต่างกันผลคบพูดมันต่างกันผลทางรทำจิตแปรสภาพเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดจากความคิดของพูกการทำที่มันแตกต่างกันนี่แหละเพราะนั้นคนอื่นไม่รู้มีแต่เราตอนนั้นก็มาทบทวนดูวันนี้ เราคิดอะไรคิดแล้วตัวเองเดือดร้อนคิดแค่คนอื่นเดือดร้อนจะให้เป็นโมทรีโพูดเหมือนกันพูดแล้วคนอื่นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนก็ทำก็ลงมือปฏิบัติพลาดไปแล้วทําไปแล้วก็ามาสํารวจใหม่มาคิดใหม่มา ท, าทั้งตอนใหม่ระมัดระวังสํารวมอย่างนี้อยู่เสม อ, อเรียกว่าแก้ไขเแก้ไขทุกวัน แต่ถ้าบอกว่าเชอไปเลยเหมือนอะไรเกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่าไม่มีสติแต่เราบันไม่มีสติหรือว่าศสติความดีความไม่ดีที่เกิดขึ้นก็ชีนี้ฝึกให้ไปใส่อย่างโดยเะพาะเยี่ยงการดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เรื่องคนอื่นเรายุ่งมากแล้วยุ่งไปเยอะแล้วยุ่งเรื่องคอื่นนมันน้อย คิดเรื่องคนอื่นให้มันน้อยพูดถึงเรือ่องอื่นให้มันน้อยทำาวื่ออื่นให้มันน้อยโบราณตะกินบอกว่ารู้ ส, ออออออสิอย่าพูดร้อยรู้น้อยอย่าพูดเลยโบราณท่านเตือนเป็นคุณคติธรรมอย่างดีเลยรู้สิอย่าพูดร้อยก็ไปว่ารู้ไดดีหน่อยแต่เลพูดโอ้โหขยายความใหญ่โต เรือพูเรื่องคนอื่นนี่เขาเรียกว่ารู้สิบแล้วไปพูดร้อยเหมือนรูปปฏิยัติรู้นิดหน่อยคนที่รู้จริงเขาไม่พูดไม่ได้พูดเยอะแต่เราโอโ้โหพูดทั้งที่มันเป็นที่ผิดถูกๆ ก, ก็ไปสื่อสารอยู่นึ่อันตรายทีนี้รู้น้อยอยู่แล้วอย่าไปพูดเลยโบราณ น, นะบอกเหมือนโบราณเลยพูดไปสองไปเวี้ย นี่เสียตอ ม, มถึทองเข้าเกณฑ์เดียวกันเลยเหมือนเข้าเกณฑ์เดียวกันคือรู้สึกจะไปพูดคล้อยอ น, นี้เป็นคติตือนใจเราอย่างดีเลยในงานมันางเหตุการเป็นโอ้โอวันวันมันใช้ไหวจา้าเปลืองไปกไวจาจ้าตั้งทั้งที่เราพูดไปแล้วตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอะ่ะมันไมไ่เรื่องคีิอยู่เลยไม่จะขอดีเขาต้องมาทบทวนดูว่าเออวันนี้มันโอเราพลาดไป ว่าใจเยอะไปคิดเยอะไปมัเรื่องคนอื่นนั้นไม่เกี่ยอะไรกับตัวเราเองก็ตัดออกเปก็นการเตือนตัวเองทุกวันอย่างเนี้ยเราจะมีสติรู้จัก ต, ตัวเราเองไม่ต้องไปรู้เรื่องคนอื่นไม่เกี่ยอะไรกับเรารู้เรื่องตัวเองนี่แหละตัวันน ร, รู้น้อยรู้เรื่องของตัวเองน้อยมากแบกบไปแบกบมาเดินไปเดินมายืนเดินนั่งนอ น, น ทั้งทั้งทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดดินนะ้ําไฟลมในโลกนี้แยกเป็นประเภทประเภทแล้วอยู่ในตัวเราหมดในโลกนี้น้ำเยอะกระเพิ่นก็อยู่ในตัวเรานี่ยแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งที่อยู่ของดินฟ้าอากาศลมฟ้าดินนะ้ําไฟลมภูเขาเราวกามาหาสมุทรก็ตั้งอยู่กคนนี้ก็อยู่ในตัวเรา เพราะนั้นดินน้ําไฟลมเนี่ยมันที่มันอยู่บนโลกมันโดยโชุอยู่ในตัวเรานี่แหละคือร่างกายรูปสั้างขันของตัวเองเพราะนั้นเราจะทําให้มันเย็นจะทําให้มันรอน้อนมันก็จะูที่เราทําให้ดินน้ํำไฟลมมันร้อนไหมทำนั้นจะเป็มันเย็นไหมท่านจึงเรียกเสียงเลยว่านิพานถ้าใครทาได้จึงเรวัดดับจึงแปลว่าเย็นในความหมาย ให้มันดับให้มันเช่นดับจนไม่เหลือดับจนสิ้นเชิงดับจนไม่เหลือคือไม่มีเชือ่อมันตกลับไปกลับมาอยู่แล้วไม่ต้องมาเป็นเป็นดินน้ำไฟลมอย่งแล้วเขาก็อยู่เขาา้าตามธรรมชาติดิดนเป็นดินน้าเป็นน้งไฟแป็นไฟลมเป็นลมโดยทรรมชาติงเข า, าแล้วเราก็ไปต่อจิตดวงนั้นถ้ามันไม่ติดไป่คล้องอะไรเลยจิตใ น, นอิสระมันเบามันไปไกลมันไปสูงคือมันพ้น เกี่ยวกงจรนึ่งเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นนั้นมันเกี่ยวข้องกับจิตลุนล้วนเรากวจะเข้าใจาโอ้ถ้าเราเข้าใจเรื่องกายเรื่องใจอย่างนี้ได้กันปฏิบัติธรรมมันก็จะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องของอื่นก็ตัดออกเพระเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเอาแค่ตัวเราก็เอาตัวไม่รอดแล้วลาบากแล้วอาจาดิยังไม่เข้าใจเลยอยากเอาตัวไม่รอด แล้ ว, วจะไปตกไปจังคนอื่นเขาไปทุกข์ว่าคนอื่นเขาไปแบกเรื่องคนอื่นเขามันไม่เกี่ยวกับเราเรากคนหนักหาสาัุอยู่แล้วเราไปแบกนิดหน่อยไปแบกโลกเอาไว้ไปแบกกระสอบก้อสานเอาไว้วเราไม่วางแต่เราก็บ่นว่ามันหนักบ่นว่ามันทุกข์พเราไปแบกเอาไว้เราไม่วางคือไม่วางอารมณ์ ก็ทนให้เองทางสติมันเกิดแล้วปัญญามันเกิดแล้วเราจะเข้าใจตรงนี้มันก็จะหวางนะ้แม้วางได้ช่วงขัง้งชั่วงเขาวีนี้ทีนน ก, ก็ยังดีดีกว่วางอะไรไม่ได้เลยมีแต่แบกซ้ำๆๆ้กองพเดินเตินทึกหนักกเก่าอีกเป็นภาร ะ, ม, าะมันจึงเป็นธุระของเราที่จะตัดพันทะคือเพื่องผูกพันเหล่านี้อย่างน้อยตัดทีละชิ้นทีละชิ้นค่อยตัด คยวางค่อยปล่อยทีเดียวเลยไม่ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกันมานานเกี่ยวข้องคือพันธะมันผูกพันกันมานานมันผูกมันมัดกันมานานแล้วอยู่ในจิตของเราจะไปแก้ทีเดียวไม่ได้แต่ก็ดีกอ่ไม่แก้เลยไม่แก้เครื่องผูกมัดแต่เมันก็นัดเริงก็ไปด้วยสุดท้ายก็ติดเป็นบ่วงไม่เป็นให้มันได้อันนี้คือสัญลักษณ์ข ฝากเราไปบรรพระข้ามคืนวันนี้รักจำไี้ไปเวลามีเหลือก็ให้เราลองทบทวนดูทีเองเดี๋ยวหยุดเสียงเรียกพักเราลองทบทวนคุณของพระเจ้าคุณของประธรรมคุณของพระเดชสุขคณของคุณพ่อคุณแม่บุรภาอาจารย์คุณก็มีพุทูทั้งหมดในกูฏิตฐเฉพาะเจ้าจงความดีกระธรรมนี้ให้เมรัย ถ้าเรานั้นเป็นการมอบบุธิตเฉพาะเจาะจงความดีเรื่อง น, นี้เรือแผ่เมตตาด้วยจิตเพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกแขกสมาธิหลังจากบอเป็นแล้วก็ด้วยจิงเรื่อง น, นี้เรื่องแในเมตตาแล้เวลาที่เรอยู่สักสีหนาทีอยู่รองทำความสงบเพียอยู่ในสักพักหนึ่งหรือ ส, สักพักสักสี่หาทีเวลาเราพิจนารณาอย่างนี้แล้ว ก็ไปไม่ได้ทีแล้วค่อยจิตตอนออกจากสมาธิชวนที่เวลามาอยู่เรากำลังจิตหายใจเข้าออกก่อนแล้วก็พิจารณาสิ่งตอนนี้ในเวลาสมขุโภเสียข้าทีเราจะนีไปหาตั้งใจ